หลวงพ่อไปวัดหลวงปู่จามตั้งแต่วันที่24ไปเตรียมงานไปดูความพร้อมของงานร้อยปีหลวงปู่จามตาไม่จริงหลวงปู่ท่านเกิดเมื่อวันที่19พฤษภา2องพหแต่ตาไม่จริงก็ต้องครบวันที่19พฤษภาสองพห้าห้าแต่เนี่ยเป็นห3าสบา พอ53หลวงพ่อก็ น, นับนิ้วมือดูเกินมา9เดือนกับเจวัน9เดือนกับเจวันที่เราจัดงานเป็นนั้นว่าร้อยปี9เดือนเจวันหลวงพ่อได้ไปเตรียมความพร้อมกับคณะทาญาติโยมพระสงฆ์พระสงฆ์ให้ความร่วมมือดีมากทั้งสามอำเภอสองอำเภออเภอคำชะอีอำเภอนนองสูง แต่ท่านนายอำเภอเามาช่วยทาส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจเข้ามาช่วยงานโอ้รู้สึกว่าดีอบปุ่นคนมากก็กลางคืนก็มีการสายสไลด์ประวัติของหลวงปู่ให้แก่ลูกหลานมันได้ได้เห็นไม่ว่าอยู่ในสถ า, านที่ใดถึงจะเป็นบ้านของท่านก็เถอะในความคิดเห็นน่ ลูกหลานบางคนก็โอ้หันหลังให้นานพอสมควรแต่มาคราวนี้เห็นหันหน้าเข้ามาเกือบทุกคนเงนี้ยเห็นคราวนี้เนี่ยดูละหันหน้าเข้ามาร่วมงานเกือบทุกคนะแต่อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก่อนหน้านะั้นโอ้รู้สึกว่าความเห็นเนี่ยแปลกแตกต่างกันเหลือเกินนี่แหละนะว่านานาจิตตังนานาทัศน์นี่มันอยู่กับทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกเหล่ะ แต่ถึงจะจัดงานคนมามากมืดฟ้ามัวดินก็เถอะแต่ลูกศิษย์ลูกหาบางกลุ่มก็บอกว่าไม่น่าจะจัดอย่างนี้ไม่น่าจะจัดเพราะว่าหลวงปู่ท่านอยู่แบบเรียบง่ายหลวงปู่ท่านอยู่แบบเรียบง่ายไม่น่าจะจัดอันนี้คือหัวอนุ ร, รักษนิยมะ อนุรักษ์นิยมก็ต้องคิดในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมว่าอยู่ยังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นแต่พวกเราเนี่ยจะว่าอนุรักษ์ก็ใช่จะว่าในเมื่อยุคไอทียุคบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะประกาศเผยแพร่สู่สาธารณชนเรามีของดีเราก็ควรจะเปิดให้ชุมชนได้เห็น แต่การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท่านนั้นท่านไม่เสียอยู่แล้วท่านรักษาดีดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปิดให้คนได้ชมได้ดูถ้าว่าเราไม่ประกาศไม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจิตเจริญรุ่งเรืองสืบทอดไปได้อย่างไรบางคนก็นดูถูกพระกรรมฐานอีกต่างหากอยู่ยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใคร ผู้ที่มาอยู่ใกล้เมาอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งที่จะอุ่น อ, อกอุ่นใจแต่มองไปเห็นคนอื่นเขาเจริญกว่าตัวเองก็น้อยใจมันโลกมันมีหลายระดับเยอเกินเพราะนั้นบางครั้งพวกเราก็ควรจะเปิดเปิดให้คนได้รับผู้รับทราบว่านี่นะแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าน พระพฤทิปฏิบัติมา ล, ลูกหลานควรจะเอาเป็นเยี่ยงยางเอาเป็นตัวยางแต่ในคืนนั้นเขาก็ฟังดีนะดูดีมากเลยที่เขาใช้สไลด์ประวัติของหลวงปู่ให้แก่ ล, กลูกหลานได้ชมคนหลายหลายร้อยหลายพันนะเป็นหลงพ่อว่าน่าจะเป็นพันมากกว่านะ พ้นบริเวณนั่งแถวนั้นเต็มไปหมดจากนั้นสี่ทุ่มเขาก็ไดมนหลงพ่อขึ้นไปพูดไปเทศนหลงพ่อก็ได้พูดเทศตัวแล้วเขาฟังดีอีกเงียบที่เขานอนหลับก็ไม่รู้แหะหลวงพ่อหลับตาพูดเหมือนกันแต่แต่ลูกออกมาก็เดินดูเอเดินออกมาดูก็เห็นคนนั่งเต็มไปหมดนั่นแหละเมื่อวานก็ เป็นวันมาค่าบูชาเป็นวันอุโบสถพอหลวงพ่อเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะกลับมาวัดเลยเกิดมันเกี่ยวกับการอุโบสถลงอุโบสถก็เลยลงอุโบสถเมื่อวานเที่ยงลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปชุมหาลือกับพร ะ, พระสงฆ์ก็ได้ถามพระระดับขั้นหัวหน้าจเจ้าคณะอําอเภอเป็นไงจัดงานหลวงปู่ในครั้งนี้ใครมีความคิดเห็นยังไง ต่างคนก็ต่างว่าดีมีประโยชน์ในชุมชนของพวกเราถึงจะมีความมีคนไม่คิดเห็นคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างที่เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงปู่ก็มีอยู่บ้างไม่เห็นมาแต่คนสวนมากเข้ามามืดฟ้ามัวดินสองวันมานี้ก็เป็นที่พอใจคณะฝ่ายสูงผู้ใหญ่ก็ เห็นพ้องต้องกันแต่ก็มันก็ธรรมดางานใหญ่อย่างนั้นมันก็ต้องหนักมันจะให้เรียบเงียบสงบมันคกไม่ได้มันก็ต้องอยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถึงอย่างไงเมื่อวานพอลงโบส์ก่อนจะลงโบส์หลวงพ่อก็เลยนำคณะสงฆ์คารวะหลวงปู่หลวงปู่พวกลูกหลานในประมาทพลาดพังหลวงปู่ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยรู้ความรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งไหนก็ตามที่ได้ลวงละเมิดขอลงปูโปรดเมตตาโหสิให้แก่คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยเทอรอันนี้ก็คือกาบคารวะท่านท่านก็ไม่ไดว่าอะไรท่านร้อยปีแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเท่า้นแต่สิ่งไหนที่มันเป็นความดีความงามของ พวกเราลูกหลานเราก็พูดเทิดชูบูชา อ, องค์หลวงท่านนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ไปจัดงานเมื่อวันที่ยี่สิหกเรื่องงานสวดมนต์เย็นยี่สิบเจดฉันพัฒนาหารเช้ารู้สึกว่าพระมากนะพระในตรงสี่ร้อยกว่าแน่นวัดของเราก็ เอออันนี้ควรจะประกาศหรือบอกให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมรับทราบด้วยจะตุปัจจัยที่พวกเราได้ถวายงานของหลวงปู่มีอะไรบ้างนะอันนี้ก่อนหน้านี้ท่านก็วัดของท่านก็จัดงานเอเราก็ถามแล้วก็ไม่ให้จะตุปัจจัยถามว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เออปล่อยให้ท่านทําไปเนี่ยพอทําไปทํามามันเงินมันหมดเลยเนี่ยเขาก็เลยโทรมาเออ ปัจจัยพวกผมหมดแล้วนะหลวงพ่องั้นดำเนินการหลวงพ่อเอาเอาปัจจัยของวัดของเราเนี่แหละคณะสงฆ์ของเราเนี่ ย, ยที่ได้มาโดยเป็นธรรมนะก็เอาไปช่วยหลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้มีพระอุปกา ร, ระคุณสำหรับวัดของเราสำหรับหลวงพ่อเองก็ลเลยโอนไปถวายท่านสองแสนเพื่อดูจัดการ ดูห้องน้ำห้องท่า อ, า ห, อาหารคู่คนที่มาทำงานคนสุดท้องพ่อก็เตรียมไปอีกพอวันงานจริงๆวะเออพระมามากไปเอาอย่างไงวะถามคณะสงฆ์ดูปัจจัยมีเพียงพอไหมไม่พอไ ม, ไม่หมดแล้วออเออหลวงพ่อก็ได้เตรียมจิตุปัจจัยของวัดเราเนี่ยไปถวายพระเกือบห้าร้อยอย่างที่วานนะองค์ละพันบาทบาทบางองค์ละห้าร้อยพระน้อยเนน้อยกว่ห้าร้อย ถ้าเป็นพระมีอายุปรรษาขององค์ละพันถ้าเป็นพระในถี่นในเจ้าอา ว, วาสองค์ละสามพันมาจากจากตุรทิศจากเมืองการจากเชียงใหม่กององค์ละหลายพันเหมือนกันะถึงแปดพันก็มีเพราะเราจะให้คุ้มกับค่ารถที่ท่านมาไม่ใช่ว่าพอเราเน้นมนท่านมาแล้วเราก็ต้องถวายจิตุปัจจัยให้คุ้มค่ากับท่านมาอย่างน้อยก็คุ้มค่ารถที่ท่านมากราบคูบาจ่านหมดไป ห้าแสนกว่าเหมือนกันนะแหมหมดไปห้าแสนกว่านะรวมท่านโอนไปคราวก่อนสองแสนห้าหกเจ็ดป่าป่าเข้าเกือบแปดแสนเหมือนกันที่จะตุปัจจัยกลุ่มของเราร่วมทําบุญกับองค์หลวงปูแต่เราโอนไปครั้งก่อนสองแสนนะ ย, ออ ย, ยังเหลืออยู่เขาว่ายังเหลืออยู่เจ็ดหมืนหลวงพอ่อเออเหลือเจ็ดหมื่นก็ให้จัดงานของคุณแม่นะวันที่ยี่สิบแปด มีนาที่จะถึงเนี่ยบางทีอาจจะได้สูบน้ำสะออกแล้วเอาน้ำเข้าแทนไม่หรือว่าสิ่งที่มันคาตกบกพ่องเนี่ยเอาจัดจำนวนปัจจัยที่มันเหลือนี่แหละใช้นะไม่ต้องอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นนะหลวงพ่อก็ได้สั่งเอาไว้เพราะงานคุณแม่กับวันที่ยี่สิบแปดมีนาห้าสามเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลวงพ่อก็เลยมีแต่งานกับงานเท่านี้นไม่รู้จะทํำยังไงถ้าจะว่าตัวเองคิดขึ้นก็ใช่มาอยู่ในชุมชนสังคมก็ใช่ต้องแบกภาระก็ใช่แต่หลวงพ่อหนักใจไหมหลวงพ่อไม่หนักเอไม่ได้หนักใจกับงานเหล่านั้นมันมาแมันก็ผ่านไปเราจะทําเท่าทีเาท่เราทําเราทําได้เราจะไม่เครียดกับงานงานงานไม่ได้ไม่ให้งานทําเราเราทํางาน เราทํางานงานอย่ามาทําเราแต่สิ่งไหนที่มันจะทําเราเรารู้เราจะเวียงหลบทันทีเหมือนกันนะ เ, เราไม่ได้ถือว่างานชัตรานางคฉามิงานก็คืองานชุมชนก็คือชุมชนแต่เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าจะให้บริบูรณ์ไหมเมื่อมีงานเรื่องส่วนตัวการเป็นอยู่มันก็ต้องขาดตกบกพร่องแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลัง แบ่งการงานแต่ถึงยังไงในใจของเราเนะ่เมื่อทำงานแล้วเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันผู้คนถึงจะงานหนักหนาขนาดไหนก็ตามต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้จะถึงจุดจบเมื่อไรเพราะนั้นอย่าลืมตัวนะอันนี้คื อ, คอเตือนตนด้วยตนเองไว้อยู่ในใจถ้าคนอื่นเตือนอาจจะโมโหให้เขาแต่ใจของเราเตือนเราเนี่ย เรานะได้บ้างเสียบ้างถูกดุด่าว่ากาวบ้างดุกตูถูกเยยดยามบ้างถูกคนไม่เห็นด้วยบ้างเขาพูดกแหนะกะัแหนเราบ้างสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในโลกทั้งนั้นเราจะไปเกิดมาทั้งทีชีวิตจะปู ด, ด้วยดอกกุหลาบเดินไม่มีอะไรเลยมันไม่มีดอกในโลกเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธเจ้ า, าแท้ก็ยัง โดนเอดูถูกเพ้อเพอยังคิดเทวทัศน์คิดฆ่าอีกต่างหากวางแผนฆ่าไม่รู้กี่ครั้งทําไม่ใช่บุญบา ร, รมีของพระองค์จริงๆคงจะรอดอยากเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเอทําไมเอาเขานายจ้างนายธทททนูไปยิงเลยขณะจริงกองธนูไปแล้วธนูปล่อยสายไม่ไปทําไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไม่ใช่บุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าจะว่าอะไรฮะ นี่แหละถ้าพระพุทธเจ้าจะแท้ก็ยังมีนางอะไรที่จ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าในถนนหขนทางทุกแห่งหนก็ยังมีโลกอันนี้มันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าเราจะไปวันไว้แกว้งกับโลกสมมุติที่เขาด่าให้เราก็าว่าให้เราวันก็เป็นทุกขเ์เขาเป่าเฉยเพระพุทธเจ้าท่านพูดบรรจั บอกกับพระโมกคลาท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามมาตัดขาเราให้เรารักเรากับรักคนที่มาตัดขาเราให้เสมอกันนั่นแหละผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตนะหลวงพ่อคิดดูมันทำยากเหมือนกันนะเราไม่ใช่ทงาง่ายๆทนะังนั้นทั้งที่คนมาตัดขาเราย่ตัวไม่มีความขีดผิดอะไร แล้วให้ทำใจเรารักเราก็รักคนที่มาตัดขาเราให้เสมอการมันมันมันถ้าปุตตชนแล้วมันทำไม่ได้แล้วกแต่พระพุทธเจ้าต้องทำต้องคิดให้ได้อย่างนั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติตามเราตามทำคาสั่งสอนของเราตถาคตนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ มันมีทุกยุคทุกจำไยเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องทําใจไว้นะ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อหน้าเบื่อมนุษย์โลกนะีเกิดมาพบน้าชาติหน้าก็คงจะได้พบได้เจอได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าสิ่งที่พึงปรารถนาข อ, เาองเราของหัวเราะจิ้มเป็นสุขอยู่ในใจก็มากต่อมากเหมือนกัน สิ่งที่ไม่พึงปราถนาที่เราได้กระทบกระแทกกระทั่งกับมากอย่างเหมือนกันแต่ตัวที่มากที่สุดคือบั้นปลายของชีวิตนะนาทีหายใจเหือกสุดท้ายนะนะั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นเรื่องที่ทุกข์ที่สุด่งพวกเราต้องคิดต้องวางแผนต้องทำใจเอาไว้ต้องพิจารณาให้รอบครอบเอาไว้ในจุดนั้นทุกคนต้องเจอด้วยการทุกคนถึงจะมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาขนาดไหนก็เถอะ แต่ต้องมีถึงจุดนั้นแน่นอนอประวัติมันไล่มาที่แลมก็กว้างกว้างพอไล่เข้ามาแล้วก็แคบแคบนะไล่เข้าไปในซองแคบอไม่มีที่ไปเลยท่านนี้ผลนีนชุดก็นะเอะพยามัจจุราชก็ยิงเป้าเลยหรือโทษประหารตัดคอนะอะไรอย่างนั้นก็จบชาติใดชาติหนึ่งไปเกิดมาเกิดมาเอกลืมตัวเอกอย่างชาตินี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอนดีตชาติของพระองค์แล้วน่าเบื่อเนะี่ยเพราะนั้นพระองค์จึงแนะนําสั่งสอนพวกเราอย่าติดอยู่ในโลกเกินไปนะให้เห็นความทุกข์ด้วยนะอันทีจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไ ม, นนไม่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะท่านไใ้ใจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเ ให้เกิดความเบื่อหนายคายไม่ยึดมัน่นถือมัน่นรู้เท่ารู้ทันเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่แสนชาติก็เถอะเราจะต้องได้เป็นอย่างชาตินี้แหละถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์นะมันต้องมีทุกอย่างนี้แหละหิวกระหายร้อนหนาวพอใจไม่พอใจคนยกย่องเฉิดชูบูชาคนตติชินนินทาคุณด่าค น, าคนว่าคนกล่าวมันต้องได้เจออยู่อย่างนี้ทุกภพทุกชาติ ไม่มากก่็น้อยไม่ยุว่าอยู่ในระดับไหนราชามหาราชาก็โดนดุดาว่ากเก่ามามากต่อมากเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเบื่อเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมันม่นถือมั่นพระองค์จึงไม่มาเกิดในวัฏฏสงสารยอมแพ้ว่างั้นอืยอมแพ้อ ย, อ ม, พ อ, ยอมแพ้แต่เป็นผู้ชนะว่างั้นนะะฮแพ้แต่เป็นผู้ชนะ เนี่เพราะอีกไปอีกมุมหนึ่งแต่พวกเราเนี่คิดว่าจะเอาชนะกันมันไม่ชนะไม่ได้เนอะใครจะชนะได้ชนะไปชนะมาไปแพ้พยามัจยุราชอีกอย่างเก่านั่นแหละจะเก่งขนาดไหนก็เก่งแต่พยามัจยุราชทําหนวดข ม, มุบข ม, มับขมุบขมับอีกวันหนึ่งอ่ะตั้นอ่ะเพราะนั้นพวกเราคิดไว้อยู่เสมอคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนาทีสุดท้ายนั่นแหะ ใครได้คะแนนดีคะแนนดีก็คืออะไรคือบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรามากเพียงพอหรือไม่เป็นที่อุ่นใจเราหรื อ, อยังแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่มีบุญกุศลในจิตในใจแล้วพวกเราอย่าอย่าฉลาาใจอย่านอนใจอย่าประมาทจะอ ย, อยู่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทในสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ในนรกสวรรค์มีใครทำกรรมไม่ดีนั่นแหละไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้กรรมชั่วรองรับเขาอยู่เรารู้แล้วว่าสิ่งชั่วมันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีคิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นธรรมถูกต้องด้วยหลักเหตุผลนี่แหละเมื่อเราทำดีอย่างนี้แล้วใครจะเป็นคนมารับแทนเราถ้าเราทาดีแล้วเราเป็นผู้รับ ลำดีนั่นถ้าเราทํากรรมชั่วใครจะมารับแทนเราเราเป็นผู้รับกรรมชั่วนั้นเพราะนั้นให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในตัวเองเอถึงอย่างไงยังไงใครทําก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็รับกรรมของเขาไปเองถ้าเราทํากรรมไม่ไมดีเราก็ต้องรับทำรับกรรมของเราไปเองนี่แหละให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราหมดนะออหมด<บ>เอ จุติอะไรอะไรมันหมดเพียงแค่นั้นหละไม่มีใครรับกรรมดีกรรมชั่วต่างกันได้แต่มนุษย์โลกของเราเนี่ยยังคดโกงกันได้นะมนุษย์โลกยังคดโกงกันได้แต่เมืองผีแล้วชื่อตรงยิ่งกว่าตรงอีกใครทำกรรมอันไหนไว้นั้นคนนั้นจะต้องได้รับกรรมตามเป็นจริงาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร